นัตถิกรรมังสมภลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี ท่านเกิดเมื่อวันพุธเดือน 9 ปีชวดพุทธศักราช 2443 ที่บ้านท่าสีตำบล อยู่แม้ชื่อนางหาท่านมีพี่น้องร่วมสาย 8 คนเป็น 4 หญิง 4 ท่า 2 เมื่อปฐมวัยเด็กชายทองมา พ่อแม่ก็ส่งไปเรียนหนังสือกับญาติที่เมืองกาฬสินธุ์ตอน พอกลับจากกาลสินน์พ่อแม่ก็ส่งให้บเรียนหนังสือกับ 15 ปีก็ นายทองมาสอนอยู่ที่เดือนก็ลา 2458 ที่วัดบ้านยิวโพชัยเรียนสวดมนน้อยทวาดบุรี หลังจากนั้นท่านก็กราบลาพระอาจารย์เตียงไปเรียนต่อ 30 จังหวัดอุบลราชธานีโดยครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่วัดบ้านท่าม่วงอำเภอเสลรับภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระ กับพระอาจารย์ชื่อพระมหาพันธ์เรียนแล้วกราบลาพระอาจารย์ออกทุรดงวิเวกต่อไปหลวงปู่พงไพรฝึกวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตให้ หากต้องเจอกับภัยอันตรายๆในป่าก็จะขออุทิศชีวิตเพื่อธรรมะ 3 วัน 7 วัน บางวันก็ไม่มีคนใส่บาตรก็ต้องเก็บ ผ่านการเจรไนจิตใจของผู้ที่ประเสริฐแล้วนั้นต้องผ่านการทดสอบเป็นธรรมดาไปถึงจัมปาสักท่านก็ได้ไปเรียนวิชาต่างๆกับพระอาจารย์ซึ่งไม่ทราบนามเรียนสมาธิเรียนวิชาอาคมต่างๆแล้วก็ลาออกจาริก ไม่มีใครทราบชัดเจนว่าท่านไปๆว่าท่านไปที่โน่น ฤ avez歩ด้วย ว่าที่ฤษเป็น spell the slayer was abducted at the point of harvest เกื่อบารณลเพิ่ม Every musician died while being gathered vid by our Ashland ไม่ธิ์ process was not too late. necessary to do the land... พอ환 startups including the beesw each one were顆th todas, MIC used to express the clones of the ants for David and가지고 the virus, allowing will belong to them lps. เพราะคษาที่ฤษที่ฤษาแล pela Rugby's a topf year, that's why they were 추천, the dragon being squeezed in the circle inside there. ฤษาที่ยังได้อยู่สวนและเรียกให้บริ Columbus and the หลวงปู่แผ่เมตตาให้รับศีลแล้วก็ 2482 เมื่อหลวงปู่ทุโดงกลับมา ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นพระธาตุเก่า ด้วยบารมีธรรมและความเมตตาของหลวง แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นดวงวิญญาณดวงนี้อีกเลยดื่มน้ําสาบานว่าต่อไป คือตอนนั้นพระอาจารย์เตียงเจ้าอาวาสวัดสว่างท่าศรีได้มรณภาพลงชาวบ้านท่าศรีเลยได้ไปนิมนต์หลวงปู่ทองมาเป 2490 เป็นต้นมา 52 ปีบวชได้ 32 พรรษา หลวงปู่ท่านได้นำพาวัดเช่นวัดบ้านท่า วัดบ้านท่ามาเดื่อจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกหลาย 1 พรรษาไป ส่วนการบวชเนนก็มีสามเณรมาบวช ทีวีก็มีน้อยวิทยุก็หาได้ยากส่วนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเลยไม่มีใครรู้ ท่านก็เมตตาไปทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ให้สร้างหลักพระธรรมในหมู่บ้านนั้น หลวงปู่ท่านก็เดินทางไปแล้ว หลายหมู่บ้านหลายจังหวัดทั้งที่มีหลักฐานปรากฏแล้วเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์หนองบัวลำภู ผีปู่ตาผีนาผีฟ้าสารพัดผีแล้วแต่ชาวบ้านจะเรียกขานหลวงปู่ท่าน ชื่อเสียงของท่านก็เลยดังกระฉ่อนเรื่องลือไปทั่วหลังจากนั้น เล่าลือกันไปกว่านั้นก็คือเรื่องหลวงปู่รักษาคนบ้าให้หายคือคนบ้าวิกลจริตทั้งที่เชื่อว่าโดนของคุณไสท่านก็ให้มารักษาอยู่ที่ บางคนถึงขนาดต้องใส่โซ่คล้องไว้ติดกับเสาวัดก็มี อายุ 70 ปีแต่ว่าร่างกายท่านยังคงแข็งแรงความจําเป็นเลิศหากชาว ขอนแก่นอุดรหนองบัวลำภูอุบลราชธานีกาฬสินธุ์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์รวมไปถึงญาติโยมที่อยู่ประเทศลาวก็ ว่าจะได้หลับจริงก็โน่นแหละ 5:00 น. เที่ยงคืนบางวัน 2:00 แล้วแต่ญาติโยมจะบริจาคทําบุญ 5 บาท 10 บาทตามกําลังศรัทธาที่สําคัญหลวงปู่ท่านไม่เคย หลวงปู่ท่านมีความเมตตากับทุก ในวัย 80 ปีหลวงปู่ท่านเริ่มชราภาพ อ่าคุณวิชาหลาน 90 หลวงปู่มีอาการอาพาธอย่างรุนแรงต้องเข้า ท่านรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์อยู่หลายครั้ง เวลา 8:00 น. น. วันที่ 17 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2534 เสียงกลองเพลจากวัด หลังริญยังสายภ 냉ilt ผู้ที่กำลังอยู่ในท่องทุ่งท่องนาต่างก็รีบเข้ามากราบสการะหลวงปูแสดงความอาลัยกราบขอขอมาล้าโทษหลวงปู่ของเราสิ้นแล้วหลวงปู่ของพวกเราสิ้นแล้วนำตาแห้งความสัดฐาของบั ไหลรินเหมือนกับแม่น้ําใน 91 ปี 71 พรรษาครับสมัยหลวง แลเกียรติประวัติของหลวงปู่ให้สาธุชนได้รับรู้ถึงเรื่องราวของหลวงปูให้ได้มากที่สุดทั้งใจความตอนหนึ่งได้บอกว่ารู้ถึงเรื่องราวของ แต่มันคือลิงลิงนี่แหละธรรมดาธรรมชาติของลิงน่ะเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วๆบางทีหลวงปู่นั่ง ท่านก็จะถอดผ้าๆไว้บนฝั่งแล้วท่านก็เอานะพวกเจ้า เหมือนกับว่าพวกฝูงลิงจะเข้าใจใน ผลบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาร่วมกับกองบุญนี้ก็จะ อีกเรื่อง 2527 วันนั้นมีญาติ 15 ปีมามามาขอให้หลวงปู่ แล้วก็มักจะหวยหาคนรักที่อยู่กรุงเทพฯตลอดเวลาพูดจาวกไป มีสามเณรบ้างพระอ่าหญิงสาวก็เริ่มมีอาการตัวเขียวคล้ำหลวงปู่ก็ทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานเงินเธอ จนผู้เป็นพ่อทั้งสงสารทั้งโมโหลูกตบตีลูกสาวต่อหน้าคน พ่อเธอตีลูกทั้งน้ําตาอ่าตีไปตีไปหลายครั้งเป็นที่น่าสงสารแล้วก็สะเทือนใจมากต่อหน้าต่อตาผู้คนจนเธอให้เออขอให้ลูก เหมือนว่าครั้งนี้เธอจนเป็นที่หวาดกลัวแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าใจที่ ผู้คนที่ลูกของตัวกลับมาเป็นคนเดิมแล้วอยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งญาติญาติ ทำของใครคงกรรมก็จะต้องตามสนองต้องกล่าวถึงเพราะใครทําอ่าหลวงปู่ก็ย้ําให้มีอ่า เหตุการณ์ 25 เมษายน 2542 ฟ้าผ่าพ่อใหญ่สอนและพ่อใหญ่ ระหว่างนั้นพ่อใหญ่อาจารย์ลอยกับพ่อใหญ่สอนเดินกันๆกับบึงหนองน้ําขนาดที่ พอดีกับที่มีเนนมาเห็นก็รีบวิ่ง แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือแม้ผิวหนังของทั้ง 2 ท่านจะเป็นรอยไหม้เพราะโดนสายฟ้าผ่าก็ตามแต่ผิวหนังของทั้ง 2 พ่อใหญ่กลับไม่มีเลือดออกสักหยดเดียว ไม่ให้เสียชีวิตทั้งที่ควร ส่วนเหรียญหลวงปู่ทองมา ถ่ายทอดโดยพระครูวิมลสังวรคุณหรือหลวงปู่ อ่าถ้าจะให้เกิดปัญญาเลิศกว่าคนทั้งหลายให้เสกน้ําเสกข้าวกินด้วยคาถาบทเนี้ยนะอ่าเขาบอกเมื่อเวลา วัดป่าวัดธาตุอุปมงค์นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านสร้างบุตำบลโพศรีสว่างอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยวัดนี้ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 500 เมตรเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีอายุหลายร้อยปีแรกเริ่มเดิมทีพระธาตุแห่งนี้จะนำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนม อีกข้ามป่าข้ามเขาธุระกันดาลค่ำไหนนอนนั่นข้ามป่าจึงได้ซ่อนพระธาตุไว้ในป่าแห่งนี้ซึ่ง ในสมัยนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบไม่ค่อยจะมีคน จากอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะถ้าหากว่าวันพระวันไหนได้ยินเสียงร้องของตัวแม่งจะมีคนนอนตายโดยไม่ทราบสาเหตุในคืนนั้นทําให้ไม่มีใครเข้าไปในป่าแห่งนั้นต่อมามีผู้พบเห็นพระธาตุอุปมงเป็นคนแรกคือหลวงปู่สิงห์ทองอ่าท่านเล่าว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระ ท่านได้เทศนาบอกกล่าวแล้วๆท่านก็รู้ทาง อวัดป่าประทานอุปมงค์ท่านได้พาชาวบ้านสร้างที่ประดิษฐานพระธาตุขึ้นใหม่จากแต่ก่อนนี้เป็นอูบเหมือนกับ โดยใช้ยางปรงยางปรงนี่เป็นยางไม้ชนิดหนึ่งมีความเหนียวอ่าเมื่อ หลวงปู่สิงห์ทองมรณภาพลงแล้วนั้น 2495 ได้มี สมัยตอนสร้างเสร็จใหม่ๆข้างในจะเป็นโพรงสามารถเข้าไป 2496 เมื่อหลวงปู่ เมื่อวันสิงหาคมปี 2518 พระธาตุอุปมงค์ได้พังลงมาพร้อมกับพระธาตุพนมแต่พระธาตุพนมพังตอนกลางคืน แสงที่ 2-300 เมตรลอยไปแต่จะมีสภาพที่สุดตัวทลายลงๆปัจจุบันวัด รวม 15 20 ปีในระหว่างที่ท่านจำปันษา มาพูดถึงเรื่องของคนระลึกชาติกัน 17 ตั้งชื่อ 3 ขวบกว่า สัญญาณของการระลึกชาติได้ก็เริ่มปรากฏ 1 กิโลเมตรเท่านั้นชาติก่อนที่ 8 ขวบ สาเหตุของการเสียชีวิตในเดือนเมษายนปี 2514 เนื่องจากวันนั้นเด็กหญิงยุวดีไปอาบน้ํา เด็กหญิงยุวดีก็หมดสติหมดลมกระทันหันโดยไม่มีทางช่วยเหลือแก้ไขยุวดีได้ไปสวรรค์เธอเล่าแม่แล้วพี่อีกเด 4 คนสภาพบนสวรรค์นั้นอากาศเย็นสบายไม่ เป็นความสว่างสวยแบบเย็นตาทั้งคืนแล้วก็ไม่ เด็กหญิงยุวดีมาเกิดใหม่เป็นเด็กเม 17 เมษายน 2523 และเมื่ออายุได้ 3 ขวบกว่า เด็กหญิงอุรารัตน์ก็วิ่งเข้าไปหาเรียกพ่อ คราวนี้พ่อแม่ในชาติก่อนและพ่อแม่ในชาติปัจจุบันก็ต้องพูดจากันเรื่องการระลึกชาติได้ของเด็ก นอกจากนี้เธอยังจําของใช้ส่วนเช่นเสื้อผ้าของเล่นปิ่นโตใส่อาหารไป พ่อสีแม่เนืองถึงกับ แต่ว่าศพน่าถูกนําขึ้นมาเผาหลาย แล้วตายตอนมีอายุได้ 10 กว่าๆเท่านั้นเองประมาณ 5 กิโลเมตรต้องๆเช่น เด็กหญิงอุรารัตน์เล่าว่าหลังจากที่เธอ บ้านหลังเล็กๆทรงไทยซึ่งเธอออกแบบเองตั้งไว้บนชั้น 2 ท่านแม่แล้วก็คนซึ่งมาจากพี่ๆตลอดจนเพื่อนๆบน เธอถึงกำหนดกลับคืนไป 8 ขวบแล้วคือเธ 9 ขวบกว่าแต่ว่าพ่อร้องไม่ให้เธอจาก น่าสังเกตอีกเรื่องนึงก็คือตั้งแต่เด็กหญิงอุรารัตน์ตัวเล็กๆจําความได้เธอมีจิตใจเมตตากรุณา พอหมดอายุขายตายไปเมื่อไหร่ก็ พอได้เวลาที่กําหนดไว้ หลังจากตายแล้วจะต้องประกอบแต่กรรมดีไม่ ยังมีโอกาสครับพยายามความดีสะสมเอา